ไอป่าอย่างที่ว่าเนี่ยเขามาเข้าใจเลยเข า, าเคยเข้าไปป่าที่หนึง่งที่อำเภอนาจะลวย์อำเภอ น, นาจะรวยเนี่ยถามโงเรีองเขาจะรู้ดินาจะลวยใกล้ฝั่งลาวต่อเขตลาวต่อเขตขเขมรเน่ยแถวนั้นเนี่ยไปแล้วได้กําไรกลับมาก็คือได้เชื่อมลาเรียกลับมาแต่ดีว่าเพื่อนเขาเป็นมากก็เลยเราก็ไปเจาะเลือดด้วยก็เลยเจอตอนที่ยังไม่กําเริบเนี่ ย, ยตอนที่ไม่ก็ไม่กําเริบมันก็เลยค่อยยังชั่วใน ปันไอป่าเนี่ยนะบางคนที่เราว่าดีๆเหลือเกินเนี่ยต้องสํารวจตรวจสอบให้มันมันดีจริงไหมล่ะไปอยู่แล้วเนี่ยไปอยู่ทําอะไรสติปไปอยู่เจริญสติปฐานและสติปฐานคําสอนสอนว่าอย่างไรนะแต่ไม่แน่นะบางองค์เอาสติปฐานสูตรไปเลยไปถึงไปถึงกระทองเลยพิจนะอ่าพิกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่อ่านนะ แฟนกุรุณ ห, หมู่บ้านหนึ่งชื่อว่านิ ค, นนคมชื่อว่ากรรมมาสธรรมะณที่นั้นแลยพระพูทมีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าอะไรเงรี้ยก็ไปท่องระเสติประธานสูตรมันก็ค่อยอยังชั่วหน่อยนะมันก็ดีกว่าไปคิดยังอื่นไปนั่งฟุ้งซ่านไม่ใช่ว่าไปอยู่ป่าแล้วแม่ไปนั่งแกะรอยสัตว์เออตรงนี้มีเม่นนะเนี่ยตรงนี้มีชมด ต, ตรงนี้มีตะกวดตรงนี้มีเห็นตรงนี้มีโอ้ก็ไปนั่งว่าที่นี้มีสัตว์ป่าอะไรบ้างกลายเป็นเจ้าหนะ้าที่สำรวจพันสัตว์ป่าไปแล้ว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 นะกายคตาสติกายานุปัสนาสติประธานทั้ง14บสี พ, พะเจริญไม่เป็นเพราะแต่ไปพิจารณากระดูกเข้าอยู่ในป่าไม่รู้จักกลัวผีต่อยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะเพราะอะไรแกรกหน่อยมันก็เริ่มกลัวแล้วล่ะท่านสติอะไรจะไปอยู่สติมันลอยหายไปไหนหมดแล้วก็ไม่ทราบนะใจก็ฟุง้งซ่านนะนะท่านคนที่อยู่ป่าเนี่ยนะนท่านถ้าหากว่าไม่เข้าใจข้อปฏิบัติเรียกว่าไม่รู้จักภาเวตประธรรมไม่รู้จักวิธีการเจริญคุณธรรมที่ควรเจริญ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 สิ่งเหล่านี้เนี่ยบาปอากุศลธรรมเหล่านี้ละได้บ้างไหมนิวรห้ากลุ่มรมไหมนะตันหารูปตันหาสัทธตันหาตันห า, นห า, ายาหกละบ้างหรือเปล่า น, น, นะนะแล้วอนุสัยเจ็ดเป็นยังไงกามราคาอนุสัยปฏิคาอนุสัยภาวะราคาอนุสัยเป็นต้นอนุสัยแต่และอย่างมันละได้ยังไงข้อปฏิบัติเราใดที่เป็นไปเพื่อละอนุสัยเหล่านั้นแล้วปฏิบัติอย่างไรเป็นมิจฉามาักคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฐิตรึกอย่างไรเป็นมิจฉาสังกปะ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 ผลผลที่ควรได้รับจากการตปอยู่ป่าเช่นอกุปปาเจโตเวมุตอรหัตตผลเนี่ยมันแนวโน้มมันเปอร์เซนต์มันจะมีไหมหรืออรหัตตผลนี่มันคืออะไรหรือแค่สําคัญผิดเฉยๆไม่ได้บรรลุแต่สําคัญว่าได้บรรลุไม่มีคุณธรรมแต่สําคัญว่ามีคุณธรรมเนี่ย น, นะหรือไม่ก็ทํำสองอวิ ช, ชากับวิมุติเป็นยังไงวิ ช, ชาเป็นอย่างไรวิมุตเป็นอย่างไรเมื่ออยู่แล้วเนี่ยนะวิ ช, ชาสาม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 เหมือนถูกเขาในประเทศไปอยู่เกาะตาลุตเตอเงี้ยนะเหมือนก็ถูกในประเทศไปอยู่เกาะอยู่ดอยอยู่อะไรเรียกว่าไล่เรียกว่าเหมือนกับไปอยู่เลี้ยงปศุสัตว์เนี่ยมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วนีนะไปอยู่เลี้ยงปศุสัตว์เนี่ยไปอยู่ไงโอ๊ยเมื่อไหรจะเย็นน้อเมื่อไรจะได้กลับบ้านก็อยู่แค่เนี้นะก็ถ้าไปเลี้ยงปศุสัตว์เนี่ยเขามาเคยเลี้ยงปศุสัตว์อยู่หลายปีเนี่ยนะรู้เลยว่าเอ้อไปอยู่ในป่าเนี่ยมันเงียบจริงๆเลยนะเงียบมีกระท่อมอยู่ปลายนาปลายป่าบางทีก็ไปอยู่ป่าลึกเนี่ยนะ ตอนไปจากหมู่บ้านทั้งหลายกิโลเนี่ยไปเลี้ยงดีก็ 3- าสี่กิโลเนี่ยไปพันไอ้เงียบเงียบแบบนั้นแล้วมันได้ประโยชน์อะไรบวชเข้ามาแล้วไปอยู่ป่าลึกลึกจากหมู่บ้านเป็น10กิโลเข้าไปเนี่ยนะที่มันอันตรายใกล้ระเบิดก็ไปมันก็ไม่ได้อะไรกลับมาหรอกเพราะ อ, อะไรเพราะสําคัญว่าเราไม่เข้าใจข้อปฏิบัติเนี่ยนะไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าตัดสรุปอะไรด้วยซ้ําไปไม่รู้ด้วยว่าพระธรรมคาสอนพระ อ, องค์สอนอะไรพระสงฆ์ที่ปฏิบัติแล้วพ้นทุกท่าน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 เจอเพื่อนที่อยู่ป่าหลายคนเอาไปเอามากลายไปเป็นเจ้าหนะ้าที่ป่าไม้ดูแล้วโดยที่ไม่มีเงินเดือนนะว่าโอ้ยผมเนี่ยนะไปเที่ยวดูอยู่ป่ากวาดดูแลแต่ต้นไม้เหมือนกันกลัวไฟมันจะไม่ป่าโอ้ยดูแลป่าเป็นสองพันไร่เหมือนกันอยู่คนเดียวว่ากว่าจะกวาดรอบสองพันไร่ยมมังเอ้ยเนี่ยนะวันวั น, ว น, นกวาดกันทางไฟนะ เจออย่างเงี้ยหลายองค์เนี่ยนะเวรกรรมอะไรก็ไม่ทราบ น, นะแล้วท่านก็มีความสุขแม้ท่านเนี่ยยิ่งใหญ่มากได้ดูแลป่าตั้งสองพันไร่แต่ในที่สุดแบกไม่กวาดไม่ไหวกว่านี้กลับมาอยู่ทิ้ง น, นะแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยนะแล้วก็อยู่แล้วก็เดือดร้อนอัตคัดขาดแทนบินทบาตตั้งหลายกิโลเนี่ยนะกว่าจะได้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 แต่ทีนี้ไอ้สำคัญและใจเนี่ยมันคิดอะไรใจเนี่ยเจริญสติปัฏฐานเป็นไหมใจเจริญสติสัตทินรียเป็นไหมเจริญวิริยินทรีย์เป็นไหมสติินทรียสมาตินรีพี่เจรณายอย่างไรมันจึงจะเห็นอริยสัตว์มันไหนไหนก็จะเอาใจเข้าว่าต้องการจะฝึกใจให้มันสงบสงบแล้วมันจะรู้อะไรเนี่ยนะต้องสอบสวนทวนความให้มันชัดเจนเลยนะเรียกว่าทิศทางการปฏิบัตินั้นต้องชัดเจนนะถนนแห่งการปฏิบัติถนนเนี่ยนะถนนเรียกว่ามัก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 อยู่ณนะตามหมู่บ้านเป็นต้นถ้าเที่ยบก็บอยู่ป่าแล้วอยู่หมู่บ้านเดือนหนึ่งอยู่ป่าวันเดียวดีกว่าคือความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะสะติสมาธิเป็นต้นเนี่ยเจริญ ง, งอกงามกว่าอยู่ป่าเป็นเดือนเอออยู่บ้านเป็นเดือนอยู่ป่าวันเดียวนะว่าทำอะไรอู้อะไรจะเหงาเท่ากับอยู่ป่าอีกแล้วไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะไม่เชื่อไปอยู่คนเดียวไม่มีน้ังไม่มีลิกเกไม่มีเพลงไม่มีหนงังสือนวณนิยายไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่ตัวกระบาดเนี่ยนะ